โทษของการเป็นขโมย 1. น่นนนน ง, น ท, ง, นงทุกข์ทางใจจิตที่เป็นปกติสุขไม่อาจคิดลงมือขโมยการจะถือเอาทรัพย์สินของใครมาเป็นของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องใช้จิตที่เป็นทุกข์เท่านั้นเพราะส่วนลึกรู้อยู่ว่าเป็นเรื่องผิดเป็นเรื่องน่าเศร้าใจแม้แต่เศษเงินสักบาทก็เป็นประโยชน์กับเจ้าของได้ การฉกฉวยประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตนจึงนับเป็นเรื่องน่าอายสแสดงถึงความไร้ศักดิ์ศรีต้องมีชีวิตอยู่ด้วยวิธีแอบอคอกุนอื่นกินโดยไม่ให้เขารู้ตัวของที่หายไปย่อมเป็นทุกข์แห่งเจ้าของถ้าเราเป็นคนทำให้ของของเขาหายใจของเราจะเป็นสุขได้อย่างไรการสังเกตเข้ามาในตนเองจะทำให้เห็นทุกเป็นขณะขณะอย่างชัดเจนทุก เริ่มตนตั้งแต่เมื่ออยากขโมยสังเกตเข้ามาในตนเองจะเห็นเป็นความตื่นเต้นแบบมีพิรุษเหมือนตัวเราที่หน้าไม่อายพยายามโผล่ขึ้นมาเอาชนะตัวเราที่ยังรักศักดิ์ศรีอยู่ทุกจะทวีตัวขึ้นเมื่อตัดสินใจคิดขโมยจริงสังเกตเข้ามาในตนเองจะเห็นเป็นความทึบตันไม่อาจปลอดโปร่งสบายใจไปได้ในเมื่อรู้อยู่แก่ใจว่ากาลังจะปล้นน้าพักน้าแรงที่มีศักดิ์ศรีของผู้อื่น ด้วยนำพักน้ำแรงที่ไร้ศักดิ์ศรีของตนทุกจะทวีตัวขึ้นอีกเมื่อมีการพยายามขโมยสังเกตเข้ามาในตนเองจะเห็นเป็นการฝืนใจเค้นเอาความโลภขึ้นมาพยายามเอาชนะความกลัวถูกจับได้ต่อให้เป็นมืออาชีพมากี่สิบปีก็ต้องกำแกร่งด้วยความหวาดระแวงตัวเล็กรีบลงทุกคราวไปทุกจะทวีตัวขึ้นถึงขีดสุดเมื่อลงมือขโมย สังเกตเข้ามาในตนเองจะเห็นความรู้สึกฟืดฟืน้นราวกับถูกต่อต้านจากตัววัตถุซึ่งกระแสต่อต้านนั้นก็คือสิทธิ์แห่งเจ้าของที่แฝงตัวอยู่ในวัตถุนั่นเองทุกจะไม่จบโดยง่ายแม้เมื่อขโมยสำเร็จสังเกตเข้ามาในตนเองจะเห็นเป็นความรู้อยู่แก่ใจว่าข้าวของที่ได้มาไม่ใช่ของเราต่อให้พยายามใช้ของอย่างเป็นสุขเพียงใดก็ขาดความภาคภูมิใจ ที่สุจริตชนทั้งโลกเขามีกันถ้าทรัพย์ที่ขโมยมามีค่าน้อยก็อาจไม่ต้องอาศัยกําลังใจในการขโมยมากนักทุกในขณะต่างๆจึงอาจปรากฏเป็นของเล็กเกินกว่าจะจับสังเกตได้หรือในอีกทางหนึ่งแม้จะเป็นทรัพย์มีค่าควรแก่ความไม่สบายใจแต่ทว่าความมีค่าของทรัพย์นั่นเองก็อาจท่วมทับความไม่สบายใจได้มิดชิดเพระมัวเพ่งคิดอยู่แต่ว่า เราจะได้รับมามากและเราจะนาทรับนี้ไปใช้ได้ให้หนำใจความไม่รู้จักเห็นใจผู้อื่นที่ต้องสูญเสียทรัพย์สินกับความสมบนัดที่ได้ของสมประสงค์จึงเปรียบเหมือนม่านอําพรังทุกท้งใจของเราได้ขอเพียงแต่เราใส่ใจสังเกตก็จะพบว่าทุกทางใจอันเกิดจากการขโมยยังคงเป็นความจริงอยู่เสมอ 2. การสั่งสมบาป เมื่อทราบแล้วว่าความมืดเป็นเครื่องหมายของบาปเราก็สามารถสำรวจใจตนเองแล้วทราบได้ว่าการขโมยเป็นบาปเพราะไม่มีการขโมยครั้งใดที่ทำให้จิตของเราสว่างขึ้นมีแต่จะหม่นหมองลงกับทางไม่มีแก้ใจคิดอะไรในทางดีหรือในทางที่เจริญเอาซะเลยแรงผลักดันให้ปล้นทรัพย์ของผู้อื่นได้คือโลภะโลภะต้องชนะศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่มีสองขาวไว้ยืนได้ด้วยตนเอง จึงจะสามารถขับให้เราก่อบาปได้ด้วยการขโมยและโดยเหตุนี้เองทุกครั้งที่เราขโมยได้แบบไม่ต้องคิดมากจิตของเราจึงอ่อนแอลงและคิดพึ่งพาตนเองน้อยลงกับทั้งรู้สึกว่าเกียรติภูมิของความเป็นคนน้อยลงทุกทีที่น่ากลัวก็คือบาปสามารถสังสมตัวได้นั่นหมายความว่ายิ่งขโมยสําเร็จมากขึ้นเท่าไหร่ใจ ก็ยิ่งปวกเปียกมากขึ้นเท่านั้นมองไปทางไหนอะไรๆก็หน้าคว้ามาครองเกินห้ามใจแทบทั้งสิ้นขอให้ต้องตานิดเดียวใจเราจะนึกวางแผนหาทางลักมาครองโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของใครทั้งสิ้นแม้ขโมยเงินสักบาทมือของเราก็ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องชิงทรัพย์แล้วและใจของเราก็นับว่าเปื้อนบาปแห่งการขโมยแล้วเช่นกันฉะนั้น ยิ่งขโมยเศษสตังบ่อยเราคือยิ่งโลภมากอยากได้นั่นอยากได้นี่จนกระทั่งทรัพย์ของผู้อื่นกลายเป็นเครื่องหมายเตือนให้นึกถึงการแย่งชิงมาท่าเดียวความคิดในทางขโมยจะลดความฉลาดในการหากินเยี่ยงสุดจริตชนลงเราจะไม่รู้สึกผิดและย้ำบอกตนเองว่าโลกก็อายุที่ทำแบบนี้เองเพราะโลกไม่ได้ให้โอกาสเราเท่ากับคนอื่นหรือต่อให้มีโอกาสมากกว่าคนอื่น บาปก็ทำให้เราพลาดเห็นไปว่างานสุจริตดูไม่ค่อยท้าทายต้องเป็นงานทุจริตที่ใช้เลก่กลถึงค่อยน่าสนุกหน่อยกระทั่งบาปพอกพูนขึ้นจนหนารู้สึกด้านชากกับการขโมยทรัพย์ราคาต่ทถึงจุดนั้นเราจะพร้อมขโมยทรัพย์ราคาสูงขึ้นด้วยความรู้สึกว่าเป็นการยุติธรรมกับตนแล้วในทางใดทางหนึ่งสำนักเขา้าไปอีกฉะนั้นเพียงไม่ตั้งใจไว้ก่อนว่า จะเว้นขาดจากการขโมยก็นับว่ามีโทษแล้วเพราะเมื่อถูกกระตุ้นให้เกิดโลภะอย่างแรงกล้าศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ย่อมลดระดับลงแทบไม่เหลือยังผลให้สติพร่าเลือนลงเปิดช่องให้โลภะเข้าครอบงำจนง้อเขา่าหลงนึกว่าบาปแห่งการขโมยเป็นสิ่งสมควรทํายิ่งกว่าบุญแห่งการระงับความโลภผิดผิดไม่รู้สึกอยากอดใจรอ ไม่รู้สึกอยากทำงานหาเงินมาซื้อสิ่งของที่ต้องการด้วยตนเอง 3. ความเป็นอยู่ที่เลวร้ายไม่มีความรู้สึกด้อยค่าอันใด ย, ย่าแย่ไปกว่าความรู้สึกด้อยค่าอันเกิดจากการเป็นหัวขโมยเพราะบาปข้ออื่นยังพอรักษาศักดิ์ศรีกันได้เช่นเราอาจฆ่าศัตรู ด, ด้วยศักดิ์ศรีของนักรบในสมรภูมิ เราอาจได้เสียกับลูกสาวใจแตกของใครด้วยความรักจริงหวังรักผิดชอบเราอาจโกหกเพื่อผลประโยชน์ของมหาชนหรือเราอาจกินเหล้าเพื่อให้เกียิกับเจ้าภาพที่ต้อนรับขับสู้แต่ถ้าใจกลาง น, นาดานไปปล้นใครเข้ามาจะอ้างอย่างไรได้นอกจากต้องยอมรับว่าไม่มีปัญญาหาเองจึงต้องหันไปรักเอาจากคนอื่นถ้าเสียศักดิ์ศรีแล้วนึกเสียดายความรู้สึกเสียดายนั้น มารบกวนจิตใจให้นึกสังเวทตนเองคอยแต่จะรู้สึกว่าตนเป็นคนโกงเป็นโจรเป็นพวกไม่ซื่อเหมือนกับว่าแค่จะดีให้ได้เท่ามาตรฐานมนุษย์ใจสะอาดสักคนก็ยังทําไม่ได้เมื่อบาปจากการขโมยถูกสังสมมากแล้วผู้ขโมยยอมเลือนฐานะเป็นหัวขโมยดูเผลนเหมือนมือนิอนน่งไม่สั่นไหวแต่ที่แท้บาปหนาจนใจแข็งกว่าใครตาหา ความมือไวใจเร็วของหัวขโมยย่อมก่อให้เกิดกระแสในตัวที่น่าระแวงชวนให้รู้สึกนึกถึงความไม่น่าไว้ใจไม่ต่างจากสุนัขลอบกัดแค่เห็นก็นึกอยากระวังตัวขึ้นมาทันทีทั้งที่ยังไม่ทันจะอวดเคี้ยวอวดเล็บให้เห็นเลยด้วยซ้ำการขโมยแต่ละครั้งคือการลดความสามารถในการครอบครองสมบัติอย่างถูกต้องจึงไม่น่าสงสัยเลยว่าเหตุใดหัวขโมยทั้งหลาย จึงไม่อาจรักษาสมบัติอันเป็นที่รักของตนไว้ได้นานมีอันต้องเสียไปให้กับเรื่องไม่เป็นเรื่องบางทีอยู่ดีไม่ว่าดีก็สร้างเหตุให้ซาบวิบัติซะเองจิตของหัวขโมยมักเหล่งโลภเอาแต่ได้จึงตระหนี่ทีเหนียวและมีจิตใจขับแคบแม้อาบน้ําเนื้อตัวสะอาดแล้วก็รู้สึกราวกับเปื้อนเปรอะยางเหนียวเน่หนะแบบเดียวกับคนที่ไม่ได้อาบน้ําทีละ3าวัน7วันทีเดียว จิตที่ขับแคบย่อมเหมาะกับพบใหม่ที่แคบจำกัดอัตคัดขัดสนแม้มีวาสนาพอจะเกิดใหม่ในโลกมนุษย์อีกกรรมที่เคยทำให้คนอื่นเดือดร้อนในเรื่องของหายก็อาจส่งให้ไปเกิดในที่ที่แทบไม่มีของจะให้หายหรือถึงมีก็ติดมืออยู่ได้ไม่นานต้องประสบเหตุให้หายไปจากมือเพราะถูกลักขโมยหรืออาจวิบัต ด, ด้วยภัยธรรมชาติตั้งแต่ยังไม่ทันใช้ให้คุมหากตายยี่งหัวขโมย ก็ยังไม่อิ่ไม่พอกับการลักทรัพย์แต่ยังพอมีบุญพยุงเอาไว้ไม่ให้ร่วงหล่นถึงนรกก็อาจไปส่วยพบของหัวขโมยระดับเดรัจฉานภูมิเช่นแมวขโมยหรือสุนักจิ้งจอกที่ล้วนมีเล่เหลี่ยมกลมกองติดมาในกระมวลสันดานแต่หากตายเยี่ยงโจรโฉดล้นไม่เว้นแม้แต่พระสองฆ์องค์ข้าเจ้าไม่มีความเมตตาเป็นบุญเก่าพอช่วยพยุงเอาไว้เลยก็จัดว่า มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่อันลำบากลำบนไร้สมบัติติดตัวดังเช่นนรกผูกสถานเดี่ยว